แเชียงใหม่มาเป็นประจาปีเลยนะมเชียงเง้งอ ม, มาอมาท<ม>ั้งเชีงเงแล้วก็ตั้งใจมาจากอาจารย์เดตรงเนี่ยเจ้าค่ะเ <c oughs> ชีงเงนี้อยู่ที่ไหนที่ชลบุรีเหรอไม่เช้ค่ะอยู่ที่หนองปลาไหลค่ะหนองปลาหลอยู่ตรงไหนจังหวัด ป, ปรขนะปอ กับ่นงนี้ใช่ไหมลละคะพรุ่งนี้แ ต, ต่วัยเช้าพอกับกรุงเทพ26ก็จะไปอีสานแล้ค่ะไปกครูบาอาจารย์นันต่อใช่ค่ะไปชาร์จแบตเตอรี่ <c oughs> ใครจะขครครูบาอาจารย์เป็นเหมือที่ชาร์จแบตเตอรี่ไปรับพลังธรรมจากครูบาอาจารย์เพราะเราไม่มีธรรมในใจาต้องมาสายธรรมของครูบาอาจารย์ ทางเทีฟังควาธรรมแล้วก็จะเกิดกำลังใจเกิดกำลังใจที่จะสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับชีวิตของเราเพราการสร้างประโยชน์สร้างความสุขที่แท้จริงนี้มันยากกว่าการสร้างประโยชน์สร้างความสุขปลอมพาะเราเมื่อจะไปหลงกับความสุขปลอมประโยชน์ปลอมเช่นการไปเที่ยวนี่เรียกว่าความสุขปลอม ของฟุ่มเฟือยต่างๆนี่ก็เป็นประโยชน์รองเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวเดียวได้แล้วเดี๋ยวก็หมดไปมันก็เลยทำให้เราเหนื่อยต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆหามาได้ปั๊บเดี๋ยวก็หมดไปแล้วไปเที่ยวไปได้ความสุขเดียวๆกลับมาความสุขนั้นก็หายไปซื้อของที่เราอยากซึ้อพอซื้อมาได้ใหม่ๆก็ดีใจ พอซื้อมาแล้เดี๋ยวกาไม่มีความหมายแล้ะปล่อยนทิ้งมันไว้เฉยๆ mm. มันก็ทําให้เราเหนื่อยเพราะเราต้องไปหาเงินหาทองไปทไําะไรต่างๆ mm. แล้วแทนที่จะเอาเงินทองมาใช้ให้ทําให้เรามีความอิ่มมีความพอมันกลับไม่มีกับมีแต่ความอยากความต้องการพรเราไม่ได้ใช้เงินทองไปในทางที่ จะสร้างพลังให้กับใจของเราสร้างประโยชน์ที่แท้จริงสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับใจของเราก็คือการเอาเองินทองไปทำบุญทําทานนี่แหละเป็นวิธีที่จะทําให้เราได้ไประโยชน์ได้ความสุขที่แท้จริงเพราะถ้าเราทรําบุญทําทานแล้วเราจะมีความสุขใจมีความอิ่มใจเราจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยทําไปแล้ว ก็ยังอยู่กับใจเราไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราทำเราก็มีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เราคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวแทนที่จะมีความสุขใจอิ่มใจกับมีความหิวมีความอยากอยากไปเที่ยวหแล้วถ้าไม่มีเงินทองหรือเงินทองไม่พอใช้ก็ไม่ได้ไปก็ยางรู้สึก พอแทนเบื่อหน่าไม่มีกำลังใจเพราะเราใช้เงินไม่เป็นใช้เงินไปในทางที่ผิดใช้เงินไปในทางที่ทำให้จิตใจของเราเสื่อโมโทรงทำให้จิตใจของเรามีความทุกเพิ่มมากขึ้นและทำให้จิตใจของเราต้องเวียนว่าจตายเกิดมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวทุกครั้งที่เรา ใช้เงินทองไปในทางความอยากไปทําตามความอยากนี่เท่ากับการใช้เงินทองไปซื้อความทุกข์มาให้กับเราและใช้เงินทองไปซื้อภพชาติให้กับเราเรากําลังเตรียมจองการไปเกิดใหม่การมีความอยากนี่เป็นการเหมือนกับเป็นการจองตัว๋วเพื่อที่เราจะได้ไปเกิดใหม่ พราะความอยากก็คือต้นเหตุของการเกิดนี่เองและความอยากก็เป็นต้นเหตุของการนำเราไปสู่ความทุกข์ต่างๆเพราะความอยากมันไม่มีวันหมดอยากได้อะไรแนละ้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจทุกข์ใจหรือ ไ, ได้สิ่งที่เรารักมาแล้วเดี๋ยวเสียสิ่งที่เรารักไปก็เสียใจ แต่ถ้าเอาเงินไปทำบุญจะไม่ได้อะไรก็จะไม่มีอะไรให้เราเสียใจเพราะเราจะไม่ได้เสียอะไรสิ่งที่เราได้ก็คือบุญรืยความสุกใจอิ่มใจละทำให้เราตัดพบตัดการไปจองพบชาติได้เพราะเราไม่ได้ใช้เงินตามความอยากเราใช้เงินเพื่อตัดความอยากที่เราอยากจะเอาเงินนี้ไปท่องเที่ยว เราก็เปลี่ยนใจเอาเองินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญแทนเราก็จะตัดความอยากจะเที่ยวได้ไม่ใช่นั้นเดี๋ยวเที่ยวทางนี้เดี๋ยวกลับมาก็อยากจะเที่ยวอีกแต่ถ้าทางนี้ไม่ไปความอยากจะไปครั้งต่อไปมันก็จะเบาลงไปหรือหายไปเลยก็ได้เพราะได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงจากการ เอเงินที่จะไปท เ, เ, ท เ, เที่ยวนี้มาทํำบุญแทนเขาพระเจ้างจึงสอนให้พวกเราทําทานกันการทําทานนี้ให้เอาเงินที่เราจะไปใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นกับสิ่งที่ตามความอยากเพราะเป็นการทําโทษให้กับจิตใจทั้งหลายสร้างความทุกข์ให้กับใจสร้าง บังคับให้ใจเราต้องไปยืนยมไหว้ตาเกิดต่อเ พ, เพิ่มพิ่มพบเพิ่มชาเพิ่มไปแต่การทําบนนี้เป็นการตัดพบตัดชาติและเพิ่มความอิ่มใจเพิ่มความสุขใจเงินทองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้อย่างเกิดประโยชน์กับตัวเราตัวเราก็มีสองส่วนคือร่างกายกับจิตใจ ถ้าเราเงินทองมาซื้อของที่จําเป็นต่อร่างกายก็เป็นประโยชน์กับร่างกายกทยาายําให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงทําให้เรามีชีวิตยืนยาวนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราเงินทองนี้มาซื้อของจําเป็นเช่นซื้อยาซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อที่อาศัยใช้เงินทองแบบนี้เป็นประโยชน์กับร่างกาย แล้วก็ถ้าอยากจะให้ประโยชน์กับจิตใจก็ต้องเอามาทําบุญทําบุญนี้ทํากับพระก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ก็ได้พ่อแม่นี่ก็เป็นเหมือนพระอหรหันต์ของลูกๆของพระพรหมเป็นพระพรหมเป็นพระอหรหันต์ของลูกๆทากับสามีภรรยาก็ได้ทํากับลูกก็ได้ทํากับใครก็ได้คืออย่าทํากับตัวเราเ อ, อย่าทำกับความอยากของเรา เนี่เราอยากจะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่เนี่ยก็เปลี่ยนใจเช่ไเอาเงินที่จะซื้อกระเป๋า้ไปให้พ่อให้แม่ก็ได้ให้พี่ให้น้องก็ไให้ใครก็ได้อย่าให้ตัวเราก็แล้วกันอย่าไปซื้อของให้กับตัวเราตามความอยากถ้าจะซื้อให้กับเราก็ซื้อแต่ของจําเป็นเช่นอาหารถ้าถึงเวลารับทานอาหารก็ไปซื้ออาหารมารับทานเี่ย แต่อย่ารับประทานตามความอยากอันนี้ก็ไม่ได้ถ้ารับประทานเสร็จแล้วยังอยากรับประทานอีกอย่างนี้ก็ไม่ควรเพราะว่ามันจะเป็นโทษกับร่างกายต่อไปรับประทานอาหารมากเกินไปร่างกายก็จะน้ำหนักเกินแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเบียดเบียนรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานพอประมาณวันละมือ้อสองมื้อก็พอ ไม่ต้องสี่ห้ามือพระพระสงฆ์อ ง, อง์จ้ามีพระัุเ จ, จ้าสอนให้รับประทาน ม, มือเดียวย่างนั้นคนกินมือเดียวไม่ต้งตา ย, เ, ยเราไม่ต้องกลัวหล้เรอกินมือสองมือแล้วจะตายไม่ไม่มีกาตายมีประโยชน์เพราะเราจะทำให้น่างกายเราไม่เป็นตุ่มน่างกายจะไม่พองเป็นตุ่มน่างกายจะเป็นเหมือนขวดมีช่วงมีทรง ดูแล้วน่นถ้ากินมากๆ ก, กินตามความอยากแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตุ่มไปแล้วก็จะมีโรคต่างๆมาเปลีย่ยนโรคความดังโรคเบาหวานโรคไขมันอุด ต, ตันอายุก็จะสั้งจะต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆนี่คือการใช้เงินเพื่อมาทำโทษกับร่างกายของเรา งั้เราต้องรู้จักการประมาณในการรับประทานอาหารรับพอให้ดับความหิวก็พอเวลาจะรับประทานอาหารนี้พระเจ้าสอนให้เราพิจารณาอาหารก่อนว่าเรารับประทานอาหารนี้เพื่ออะไรเรารับประทานเพื่อดับความหิวเรารับประทานเพื่อรักษาร่างกายเหมือนรับประทานยาเราไม่ได้รับประทานเพื่อความสนุกสนานรับประทานเพื่อความ ความมันความ อ, ร, อร่อยอันนี้เป็นการรับประทานที่ผิดจะทำให้ร่างกายเราเดือดร้อนได้นังนั้นเวลาที่เรารับประทานแล้วพอจะเริ่มรับประทานน่มีความเมามันกับการรับประทานอาหารนี้เราต้องใช้ปัญญามาแก้ ให้เราพิจารณอาหารที่เรารับประทานนี้เวลาอยู่ในป่าของเรามันเป็นอย่างไรเวลาบวชเคี้ยวกับน้ําลายปนกันยั่งหน้ารับประทานไหมลองคลายออกมาดูหน้าตามนันด้แล้วก็ค่อยตัดตับเข้าไปรับประทานใหม่ดูสิว่าจะรับประทานได้ไหมอันนี้ก็เบรย์ความอยาก แล้ว น, นึกถึงอาหารที่เวลาเข้าไปรวมกันในท้องนะปนเป็นไงวะถ้าอยากจะดูภาพของอาหารที่รวมกันในท้องเราก็เอาอาหารที่เราจะรับประทานมารวมกันในชามก่อนก็ได้ mm hmm. ของข้าวของหวานขนมน ม, นมเนยผลไม้ผักอะไรมาใส่ชามดวกันแล้วก็คุก ม, มันคนมันเหมือนกับเวลาที่มันเข้าไปในท้อง ถ้าอยากให้เหมือนจริงก็ต้องถุยน้าลายใส่ไปหน่อยมันจะได้จะได้เหมือนจริงเพราะมันต้องผสมน้ำลายเวลาเข้าไปในปากแล้วนี่มันก็ต้องผสมกับน้ําลายอย่างมีพระรูปหนึ่งที่ท่านเจ้าคุณนอนท่านเอาอาหารที่ท่านจะกินนี่มาทําบทให้มันละเอียดเลยแล้วกินนอกินอาหารอย่างนั้นด้วยสิ เอาข้าวเอาผักเอาถั่วเอาอะไรที่ท่านจะกินเนี่ยามาตํำเหมือนตําน้ำพริกเนี่ยตำให้มันละเอียดแล้วก็ค่อยหยิบเข้าไปกินนี่แหละคือวิธีกินเพื่อเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อความอยากเพราะมันจะไม่อยากกินใช่ไหมเห็นอาหารแบบนั้นแล้วกินไม่ลงแต่ต้องกินเพราะว่าถ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวร่างกายมันจะขาดอาหารมันจะเดือดร้อนมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ับลองได้ถ้ากินอาหาร่างนี้กินมานละมื้อก็พอไม่อยากจิกินหลายมี้กินหมูกินยาขมเ่ยแต่เป็นประโยชน์อาหารมันเป็นประโยชน์กับร่างกายเราต้องรู้จักวิธีกินอาหารที่จะไม่ทำให้เกิดโทษถ้าเรากินอาหารแบบที่เรากินกันอยู่นี่มันเกิดโทษเราเห็นแล้วมันน้ำลายไหลมันมีรูปร่างหน้าตาสีสันมีกลิ่นโชย ได้นมได้เห็นน้ำน้ำลายไหลมันก็เลยกินมากอยากกินมากๆกินมากกว่าความต้องการของร่างกายโดยทำให้เป็นโทษกับร่างกายขึ้น น, นึกถึงอาหารที่เรากินว่าเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาทางทางทวาวรหนักการกินอาหารนี่ก็เป็นเหมือนกับการผลิตอุจจาระดีๆนี่ ร่างกายนี้เป็นเหมือนเครื่องเป็นเป็นเหมือนโรงงานผลิตอุจจาระนะเอาอาหารเข้าทางปากแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาทางวาวนะการเป็นอุจจาระไปถ้าเรามองอย่างนี้แนละ้วเราจะควบคุมการรับประทานอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกายคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปน้อยไปร่างกายก็สู้ผอม ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้มากเกินไปก็จะทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บเดือดมีน้ำหนักเกินมีน้ำตาลเกินมีไขมันเกินความดันเกินมันก็จะเป็นโทษกับร่างกายนี่คือการใช้เงินที่เราจะซื้ออาหารมารับประทานถ้าเราพิ จ, จารณาด้วยความอรอบคอบแล้ว เราจะประหยัดเงินทาวในการซื้ออาหารได้มากแทนที่เราจะต้องไปกินอาหารมื้อละห้าร้อยห้าพันเรกินไข่เจียวหมูสับก็พอแล้วกินให้มันอิ่มก็พอละห้าสิบบาทสั่งอาหารจานะอาหารตามสัง่งหมูเจียวไข่เจียวหมูสับกับข้างเนี่ก็กินได้แล้วอิ่มละ กินเพื่ออิ่มกินเพื่อดับความหิวแล้วเงินทองเราจะไม่สูญเสียมากอย่างเกินไปกินอาหารมื้อละห้าสิบกับมื้อละห้าร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันอาหารที่ออกมาก็เป็นอุจจาระเหมือนกันต่างกันตรงที่ราคาอุจจาระแพงและอุจจาระถูกอุจจาระราคาห้าสิบเลยอุจจาระราคาห้าร้อยมันก็เป็นแค่อุจจาระนั่นเอง ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่หลงไหลไปกับการหาความสุขจากการรับประทานอาหารเพราะมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่จะทําให้เราต้องเตดกับาการรับประทานอาหารทําให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดส่วนหนึ่งที่เรากลับมาเกิดเพราะเราเตดกับลดอาหารอยากจะกินอาหารกันหรกแต่ถ้าเราไม่เรากินแบบ เจ้าคุณนอกินอาหารที่เราจะกินนี่มาตามมาบท ก, ก่อนเราค่อยเกินเราจะไม่ได้กินด้วยความอยากเราจะเกินเพราะมันต้องให้อาหารกับร่างกายเหมือนกินยาแล้วมันจะไม่หิวแตยา ก, กินเสร็จแล้วมันจะไม่คิดถึงอาหารมันจะไม่อยากมันจะไม่หิวกินวันลามก็อยู่ได้เพราะทุกครั้งคิดถึงอาหารก็คิดถึงอาหารที่ไม่น่ากินใช่ไหมมันก็เลยไม่อยากกิน ได้ยมต้องกินอาหารที่ไม่อยากกินกินลงนะเวลากินนี่เคยเลือกอาหารที่ไม่อยากกินกินบ้างไม่มีมีแต่เลือกแต่อาหารที่อยากกิน่ันวิธีที่จะดับมันก็เลือกกินอาหารที่ไม่อยากกินอยู่กินเพื่อฮะกินเพื่อร่างกายอย่าไปกินเพื่อความอยากแล้วจะทำให้เราไม่ติดกับอาหารแล้วจะไม่หิวกินวันละมื้ยก็อยู่ได้ ถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาจิตใจเราก็ต้องถือสีแปกันศีแป8ก็ห้ามไม่ให้เรากินอาหารหลังเที่ยงวันแต่แล้วเพราะถ้าเรากินมันจะเป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิทาใจให้สงบแลกินมากๆ ก, กินอิ่มแล้วมันจะง่วงนอนมันจะขี้เกียจมันจะไม่อยากนั่งสมาธิอยากจะนอนอันนี้เรื่องของประโยชน์ของการรู้จักกินอาหาร ให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะทำให้เราไม่ต้องดินทนนหาเงินทองมามากเราจะอยู่แบบสามถคคีเรียบง่ายได้กินง่ายอยู่ง่ายเสื้อผ้าก็ใส่แบบง่ายๆเสื้อผ้าชุดร้อยสองร้อยก็ใส่ได้แล้วเพราะการใส่เสื้อผ้าก็มีเหตุผลเหมือนกันเสื้อผ้ามีไว้ทำไมเพื่อปกปิดร่างกาย เพื่อรักษาร่างกายจะเป็นเสื้อผ้าชุดละหนึ่งหรือชุดละพันหรือชุดละสองร้มันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันแล้วเราทำไมต้องไปเสียเงินมากๆกับการทำหน้าที่ที่เหมือนกันได้ประโยชน์เหมือนกันใช่ั้ยถ้าโยมไปซื้อของเนี่ยเขามีของให้เลือกของเหมือนกันเนี่ยมีมีหลายราคาเนี่ยโยมจะซื้ออันไหน เช่นมี p h o n e รุ่นเดียวกันนี่แต่เขามีขายสมราคาราคาละหมื่นราคาละห้าพันราคาละพันเหมือนกันทุกอย่างเลยเนี่ยโยมจะซื้ออะไรซื้อราคาไหนนี่มันเหมือนกันเลยแต่ยังไงเขาอยากจะลองใจเราว่าจะซื้อของอะไรบางคนติดว่าของดีเจ้าแพงเลยต้อ ง, งอยากซื้อของแพง ของเหมือนกันเสื้อผ้านี้ทําหน้าที่เหมือนกันทําหน้าที่ปกป้องรักษานั่งกายปกปิดอวัยวะต่างๆป้องกันแมลงสัตรูปล่อ ป, ป้องกันความหนาวเย็นต่างๆที่มันจะทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเสื้อผ้าของพระสมัยพระมุตเจ้านี้เป็นผ้าชนิดไหนหรือเปล่าผ้าหอ่อศพผ้ามังสะุล ญาติโยมเวลาไปงานศพเนี่ยเขามีถวายผ้าป่าผ้าป่าแปลว่าผ้าบางสกุลแต่ผ้าปลายสปาสมัยนี้มันไม่ได้ห่อศพแล้วเป็นผ้ามาเอี่ยมมาจากร้านตามจริงผ้าบางสกุลที่แท้จริงมันเป็นผ้าห่อศพสมัยก่อนเขาไม่เผาศพเขาไม่ฝังศพเขาเอาศพห่อผ้าแล้วก็เไปทิ้งไว้ในป่าชาพระที่พระไม่มีผ้าใช้ก็ต้องไปเก็บผ้าที่ ท, ที่อยู่ในป่าชา้าเอามาซักมาย้อมมาเย็บมาตะม า, ม า, มาปะมาต่อกันกลายเป็นผ้ากีวรขึ้นาเป็นก็ผ้าเหมือนกันเป็นผ้าที่เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันเป็นเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันเหมือนกับผ้าที่ซื้อมาจากร้านใหม่ๆมันก็เป็นผ้าเหมือนกันมันก็สะอาดเหมือนกันเพราะว่าก่อนที่เราจะมาใส่เราก็มาซักก่อน สมัยก่อนท่านก็ซักด้วยการต้มน้ำนต้มผ้าเมีเชื้อโรคมีอะไรที่ติดอยู่ในผ้านั่นก็ถูกชำละไปหมดเป็นหนือนกับผ้าที่ออกมาจากโรงงานเลยเป็นแต่ว่ามันเป็นผ้าเก่าผ้าใช้แล้วทั้งนี้มันเป็นผ้าไม่ต้องเสียเงนินผ้าไม่มีเงินที่จะไปซื้อผ้าตามร้านต่างๆก็เราต้องไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งในปาช้า หรือผ้าที่ทิ้งตามกองขยะแล้วก็เอามาซักมาย้อมมาเย็บมาปะมาต่อกันจนกลายเป็นผ้าจีวรขึ้นมาแล้วสมัยต่อมาเวลาที่มีศรัทธาญาโย่เริ่มใสซื้อผ้าดีๆมาให้พระพุทธเจ้าก็บอกให้ตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆ ก, ก่อนแล้วค่อยมาปะมาต่อกันหม่เนี่ยผ้าของผ้านี้ไม่ได้เป็นผ้าชิ้นเดียวเนี่ย เป็นผ้าที่เอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มามาเย็บมาติดมาต่อกันหน่อยเหมือนกับผ้าบางสกุลเพื่อจะให้ไม่ให้ผ้าไปติดกับผ้าเดี๋ยวได้ผ้าใหม่ผ้าจากโรงงานผ้าที่ไม่มีตำหนิ ก, ก็จะติดแล้วเดี๋ยวเกิดผ้ามันฉีดเป็นขาดก็จะไม่อยากจะใส่แล้วแต่ถ้าเป็นผ้าบางสกุลนี่เวลามันฉีดเป็นขาดก็เย็บมันได้ปะมันได้ เพาะผ้าทั้งผืนมันก็เป็นผ้าปะอยู่แล้วอย่างถ้าเราซื้อผ้าไหม่เอี่ยมมาไม่มีไม่มีรอยตําหนิไม่มีร อ, อยขาดพอเราใช้ไปเกิดมันขาดหน่อยมีตําหนิหน่อยเราก็ไม่อยากจะใช้มันและทั้วทั้งที่มันยังใช้ได้ดีอยู่ดาวเพียงแต่ปะมันหน่อยเอย็บเป็นหน่อยนัย่นเองเยสมัยนี้ก็แม่แม่ซื้อผ้าต้องไม่มีตําหนิซื้อผ้าต้องสวยงาม แล้วต้องมีป้ายยี่ห้อด้วยเราเสียเงินเสียที่ยี่ห้อนี่ลู้ปะผ้ามันเหมือนกันพ่ะเอาไม่มียี่ห้อมันก็เลยไม่มีราคาพอมียี่ห้อขึ้นมาหน่อยมีตัวจระเข่หน่อยการเป็นมีราคาขึ้นมาแล้วมียี่ห้มีจระเขมีช้างอะไรนี่หน่อยเห็นแล้วกลายเป็นของมีราคาเลย แต่ถ้าไม่มียี่ห้อนี้กลับการเป็นของไม่มีราคาไม่มีคุณค่าไปเรากำลังหลงไหลกับยี่ห้อกันเราไม่ได้หลงเราไม่ได้ใช้ปัญญากันเราไม่ดูไม่ได้ดูว่ามันมันก็มันก็เป็นผ้าเหมือนกันเป็นผ้าที่เรามาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนี่คือวิธีที่เราจะใช้เงินอย่างประหยัดใช้เงินอย่างที่จะทำให้เราไม่เกิดตัหาความอยากจะใช้เงิน ซื้อของเก่ากนีกว่าไปซื้อผ้าที่มันมีตำหนิดีกว่าผ้าที่เขาโลกทิ้งนีที่เ็าขายไม่ได้เพราะว่ามันมีตำหนิยังเป็นผ้าใหม่อยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะขาดตรงนั้นมีรอยปะกมานีีอะไรหน่อ ย, อยราคาต่างกนันเป็นหลายสิบซื้อของถูกมาใส่ก็เป็นผ้าเหมือนกันใช้ทาหน้าที่ได้เหมือนกัน นี่คือการใช้เงินที่จะทําให้ไม่เกิดโทษกับจิตใจถ้าเราใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยใช้มากๆเราก็ต้องไปหามันมามากใช่ไหมเวลาหาเงินมันเหนื่อยไหมแล้วหาไม่ได้มันก็ท้อแท้เบื่อหน่ายหมดกำลังใจอันนี้แหละเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราด้วยการใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายซื้อแบบใช้แบบฟุ่มเฟือย ใ่แบบไม่มีเหตุไม่มีผล น, นั้นปัจจัยสี่พระจะเจ้าทงสอนให้เราใช้อย่างมีเหตุมีผลใช้อย่างที่จะทําไม่ให้เกิดโทษกับจิตใจของข้านี่ที่อยู่อาศัยท่านก็นสอนให้ไปอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามทั้งอยู่ตามเรือนร้างที่ไม่มีคนอยู่ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเงินค่าต่อสร้าง ไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านอยู่ยาสประวัดิต้องอยู่แบบอยู่แบบพาอาหารก็เนให้ตามยินดีตามมีตามเกิดไปบินถลาบมาเขาให้อะไรมาก็กินมันไปตามมีตามเกิดเสื้อผ้าก็ให้ใช้ผ้าบางสกุลยารักษาโรคก็ให้ใช้น้ําปัสสาวะดองอยายาดองน้ําปัสสาวะ อันนี้คือปัจจัยสี่ของพระพุทธในสมัยพระพุทธการถ้าอยู่แบบมักน้อยสันโดษอยู่แล้วไม่มีความวุ่นวายใจยกับเรื่องปัจจัยสี่พออยู่พอกินไปได้ใจไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องมารู้จบ ก, กังวลกับเรื่องปัจจัยสี่ใ จ, จก็เลยมีความสงบมีความสุข ต่างกับพวกเราที่มาวุ่นวายกับเรื่องปัจจัยสี่กันเสื้อผ้าต้องมีราคากระเป๋ารองเท้าต้องมีราคาอาหารต้องมาจากร้านร้านเชลียวชนชิมหรือต้องอาหารขายตามโรงแรมกินอาหารต้องกินในโรงแรมกินในร้านที่รูห้หรา เสีเงินเสียทางมามากมายแต่ได้ประโยชน์เท่ากันกับการใช้ของถูกๆเป็นของถูกๆแล้วเราก็ทุกข์กับการหาเงินเพื่อที่จะมาใช้กับของฟุ่มเฟือยต่างๆเงินทองก็เลยกลายเป็นยาพิษสำหรับจิตใจราอสร้างความทุกข์วุ่นวายใจให้กับจิตใจแล้วก็ สร้างพบสร้างชาให้กับจิตใจเพราะได้ซื้อของตามความอยากและมีความสุขก็ขติดอยากจะซื้อของตามความอยากจะซื้ออาหารตามที่อยากกินอยากจะซื้อเสื้อผ้าตามที่อยากใส่อยากจะซื้อของใช้ไม้สอยต่างๆนี่พูดถึงของจำเป็นนะเนี่ยแล้วยิ่งของไม่จำเป็นยิ่งไปกันใหญ่ของที่ไม่จำเป็นคืออะไร คือของใอรที่เราไม่มีแล้วเราไม่ตายนียก่ก็ไม่จำเป็นแต่เราก็ซื้อกันซื้อของไม่จำเป็นกันเห็นอะไรกระเป๋านี่ก็ซื้อกันของไม่จำเป็นรองเทาง้าถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ถือว่าไม่จำเป็นเราซื้อกันมาแล้วก็เสียเงินเสียทองไปเปล่าแล้วก็ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองกันเราก็เลยสร้างพบสร้างชาติกัน เพราะเราทำตามความอยากกันแล้วก็ทุกข์กันเวลางเงินทองไม่พอใช้นี่คือปัญหาของพวกเราเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเพราะพะุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราใช้เงินทองให้ถูกต้องใช้กับร่างกายใช้ตามความจำเป็นใช้อย่างประหยัดคือปัจจัยสี่เอาแบบถูกๆ แต่ไม่ร้ายคุณภาพมีคุณภาพใช้แล้วเกิดประโยชน์กับร่างกายไม่เกิดโทษกับร่างกายไม่ใช่ใช้ของถูกๆซื้อของเสื้ออาหารเก่าเสื้ออาหารเสียมากินอย่างนี้พราะมันถูกกินแล้วก็ท้องเสียอย่างนี้ก็ไม่ไมถูกอันนี้ก็มากเกินไปประหยัดเกินไปต้องพอดีซื้อของที่มีคุณประโยชน์กับร่างกาย จะไม่ไม่แพงจนเกินไปไม่จาเป็นต้องให้มันแพงไม่ต้องหรูหราไม่ต้องสวยงามถ้าเราจะได้ไม่ต้องดิ้นรนกับการหาเงินหาทองให้มากล้วเราจะได้มีเวลามาทำบุญกันมีเงินเหลือมาทำบุญการทำบุญนี่แหละเป็นการใช้เงินที่เกิดประโยชน์กับจิตใจ เป็นการสร้างความสุขสร้างความอิ่มให้กับใจแล้วก็เป็นการตัดภพตัดชาติให้กับใจว่าเราจะตัดความอยากพ่าเราจะเอาเงินที่เราจะไปใช้กับความอยากนี้มาทำบุญหมดอันไหนที่เป็นความอยากไม่ใช้เือนเอามาทำบุญจะซื้อของฟุ่มเฟยไม่เอาจะซื้อของแพงมาใช้ไม่เอาซื้อโทรศัพท์มีสองราคานหนึ่งกับสองพัน เอาแค่สองพันก็พออีกแปดพันมาไปทําบุญดีกว่ามันก็โทรศัพท์ก็ใช้โทรติดต่อกันท่้นไม่ใช่ทําไมต้องไปถ่ายโลกถ่ายรูปถ่ายไปแล้วทําไมถ่ายแล้วมันเดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวมันก็หายไปตายไปไม่มีใครก็สนใจมันดูดูรูปที่เราถ่ายนะนี่คือการใช้เงินเพื่อตัดพบตัดชาติหรือไม่เช่นนั้นก็เก็บไว้สาหรับวันข้างหน้า ตอเท่าหน้าเราแก่ลงเราจะต้องมีงเงินเลี้ยงตัวเราเองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไอโฟนเลี้ยงเราไม่ได้นะเวลาเราแก่เวลาเราหิวข้าวซื้อข้าวเอาไอโฟนไปซื้อข้าวไม่มีใครไม่มีใครขายใหนะ้เอาเงินที่ไปซื้อไอโฟนมาเก็บไว้ดีกว่าซื้อของจีนเนี่ยสองพันพันหนึ่งก็ใช้ได้แล้วโทรศัพท์ติดต่อกันได้แล้ว การนี้คือการใช้เงินที่จะเป็นประโยชน์กับจิตใจจะทำให้เร า, ามีโอกาสได้ทำบุญแล้วการทำบุญนี้จะทำให้เรามีความเมตตาด้วยเพราะคนที่ทำบุญนี้จะไม่ชอบเบียดเบียนคนอื่นจะไม่ชอบทำร้ายผู้อื่นก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายรักษาศีลห้าได้ พราจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ชอบรักทรัพย์ไม่ชอบประพื่ผิดประเวณีไม่ชอบพูดปดไม่ชอบดื่มสุรายาเมา้าก็ทำให้เราได้ทำบุญขั้นที่สองบุญขั้นที่สองนองี่มีประโยชน์กว่าขั้นที่หนึ่งเพราะมันจะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายกันตายแต่แล้วไม่ต้องไปติดคุกติดตาในในโลกทิพย์ใจนี้เป็นตั้งทิพย์เมื่อทําบาปแล้วก็ต้องไปใช้โทษใน ในโลกที่ไปติดคุกตลาดในในโลกที่คุกตาราดก็เกิดนรกในหรือไม่เช่นนั้นก็ไปอยู่แบบขอทานไปเป็นเปลือยหรือไปเป็นเดราาัฉานถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทําร้ายผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราก็ไม่ต้องไปรับโทษตายไ ป, ไปถ้ายังต้องกลับมาเกิดก็กลับมาเป็นมนุษย์เลย ไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตบนากหรือถ้าได้ทำบุญด้วยก็ได้ไปเที่ยวสวรรค์ก่อนบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราไปใช้ในโลกทิพย์เราก็ได้ไปท่องเที่ยวเหมือนไปท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ดีกว่าต่างประเทศมีความสุขมากกว่าสถานที่สวยงามกว่าอาหารทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์คือโลกของสวรรค์ นนี้เป็นประโยชน์จากการที่เรารู้จักการแช่เงินแช้เงินให้เกิดประโยชน์แล้วทำให้เรารักษาสีห่าได้แล้วพอเรารักษาสีน่าได้เราก็จะมีกำลังที่จะรักษาสีแ8ต่อไปถ้าเราอยากจะไปที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเราอยากจะไปเ ท, ที่ยวสวรรค์ที่ดีกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือสวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้องักถือสีแ8ดกัน ถือสิ่งแต่แล้วก็ต้องมานั่งสมาธิทําใจให้สงบเพราะว่าเวลาใจสงบใจก็จะถึงสวรรค์ชั้นผงความสุขที่ได้จากความสงบนี่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงเก็บรถไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงเก็บรถทางร่างกายหรือรูปเสียงเก็บรถทางร่างกายทิพร่างทิพนี่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ คนที่ถือสิลแต่ได้คนที่รักษานั่งสมาธิใจสงบได้ก็ไม่ต้องเที่ยวได้ไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ไปอยู่วัดได้หรืออยู่บ้านอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาไม่รู้สึกว้าเหวไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรมาให้เสพทางตาหูจมูกลิ้นกายาะ <c oughs> มีความสุขที่ได้จากความสงบ ได้จากการนั่งสมาธิอันนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าแล้วถ้าอยากจะให้ความสุขนี้เป็นความสุขที่ถาวรที่เรียกว่าเป็นพาตนิพพานเราก็ต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามารักษาเพราะเราเพราะว่าความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ยังสามารถถูกทำลายได้สิ่งที่จะมาทำลายก็คือความอยากต่างๆนี่แหละ ความอยากไปเที่ยวความอยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายพอเกิดขึ้นมาเราก็ต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้พระพุทธเจ้าตัดสรูงทรงเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้เราต้องนาเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะเมื่อเราอยากขับรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสถ้าการจะมีรูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็ต้องมีร่างกาย แล้วต้กลับมาเป็นเทวดารือกลับมาเป็นมนุษย์เพื่อจะได้มีล่างกายเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่อไปแล้วก็กลายเป็นความทุกข์เพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพมันก็ไม่เที่ยงได้มาก็ดีใจเวลาหมดไปก็เสียใจเราก็ยังจะติดกับกองทุกข์อยู่ต่อให้มีความสุขมากก็ไม่ขนาดไหนจากรูปเสียงกลิ่นรส佛陀พระเดียวก็ต้องทุกข์ เวลาไปเที่ยวก็สนุกสนานเฮฮาพอกลับมาถึงบ้านหายหมดละเดี๋ยวอยู่บ้านสักพักนึงก็เบื่อละทุกข์อีกแล้วก็ววต้องอยากออกอีกแต่ถ้าเราใช้ปัญญาฝืนไม่ไปไม่ไปทาตามความอยากหน้า น, นั่งสมาธิ ด, ดีกว่าอยู่บ้านดีกว่าทำใจให้สงบมีความสุขดีกว่ mm. ก็ไม่ต้องไปเที่ยวเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็สบายอยู่เฉยๆก็สบาย พอเราใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาตับความอยากได้หมดใจของเราก็กลายเป็นนิพพานไปอะอิ่มพอบำลมมาสุขสุขตลอดเวลาสงบตลอดเวลาไม่หิวไม่อยากกับอะไรทั้งสิ้นพอเวลาอยากอะไรก็มีปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ตัดหน่อยว่าการทําตามความอยากจะไม่มีวันจบอยากนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปมีความอยากใหม่ตามมาทําตามความอยาก ทุกครั้งก็จะทำให้มีความอยากใหม่ตามมาทุกครั้งเราเที่ยวมากันกี่ครั้งละดูกันมากี่ครั้งลนะฟังกันมากี่ครั้งนะละดืนมรับประทานกันมากี่ครั้งลนะความอยากที่เกิดขึ้นนี้มันหมดไปนะมันมีตัวแทนมาตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวตัวตัวที่ตัวแทนมันก็มาต่อมันมีลูกมีหลานมีเหลัตามมาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยากจะให้มันตายเราก็อย่าไปทาตามความอยาก พอเราไม่ทําตามความอยากต่อไปมันก็ไม่มาเพราะมันมาแล้วมันไม่ได้อะไรมันไม่รู้จะมาทําไมเหมือนกับคนมาของเงินเรานี่ถ้าเราไม่ให้เขาเนี่ยรับรองได้เขาจะไม่มาถ้าให้เขาเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเดี๋ยวพองเงินหมดมาแล้วถ้าแม่ถ้าให้อยู่เขาก็จะมาอยู่ให้เขาก็จะมาเอาเรื่อยๆแต่พอเราไม่ให้เขาแล้วเขาก็ไม่มาแล้วเพราะมาแล้วไม่ได้มาทําไมมาเสียเวลาเปล่า ในความอยากก็เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ทาตามความอยากลราตอบไปความอยากก็จะไม่มีแล้วเราจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้ไม่ต้องไปมีอะไรไม่ต้องไปซื้ออะไรไม่ต้องไปดูไปฟังอะไรไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกทั้งหลายท่านพัฒนามาจากการทำทาน ท่านมีทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองท่านก็ยกให้คนอื่นหมดเลยไม่ใช้เงินทองซื้อความสุขมารักษาศีลแต่แล้วก็มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบพอได้ความสุขจากความสงบแล้วก็ใช้ปัญญารักษาไว้เพราะว่าถ้าเราทำตามความอยากความสงบก็จะหายไปความสุขที่ได้จากความสงบก็หายไปเราก็เลยต้องมาเพ่งความสุขจากการทาตามความอยาก เราก็จะต้องทําอยู่เรื่อยๆอยากเท่าไหร่ก็ไม่หมดสันทีพออยากพุบได้ทำปุ๊เดี๋ยวมามีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วมีความสุขแล้วเราก็อยากไปทําตามความอยากอยู่กับความสงบดีกว่าเวลายอยากก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าอยู่กับสมาธิอยู่กับสมาธิดีกว่นั่งสมาธิดีกว่าเงินก็ไม่ต้องเสียภัยก็ไม่ต้องไปเสีย เวลาออกไปนอกบ้านนี้ก็ต้องปาเสี่ยงภัยกับการเดินทางบนทางถานนแล้วก็ต้องไปเจอกับคนบางทีก็เจอกับพวกวิชาชีพมีแต่ภัยรอบด้างอยู่บ้านปลอดภัยกว่านั่งสมาธิมีความสุขมากกว่าแล้วเราไปหาความสุขที่มันได้วกว่าทนไมเพราะความหลงเพราะไม่มีกัรยาม แต่ตอนนี้เราโชคดีเรามีปัญญาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าให้เรามายึดใช้กับพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราบอกว่าทุงอย่างเป็นทุกข์ของที่เราอยากทางนี้เป็นทุกขนะ์เท่งนั้นทําแล้วมันก็หมดไปพอมันหมดไปความสุขก็หมดไปความทุกข์ก็ตามมาเวลาเวลาจะทําก็ทุกข์เพราะจะต้องไปเตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมเงินเตรียมทองกว่าจะได้ความสุขมาก็เหนื่อย พาได้ความสุขไปปั๊บเดี๋ยวเดียวก็หมดนี่แหละให้มองเห็นว่าทุกอย่างที่เรากําลังทําด้วยทางอย่างนี้เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขความสุขที่แท้จริงก็คือนั่งเฉยๆพุทโธพุทโธ ท, ทําใจให้สงบถ้าเราทําได้แล้วต่อไปเราจะทําได้ตลอดเวลาเราไม่ต้องอาศัยเงินทองไม่ต้องอาศัยนัางกายไม่ต้องสายอาศัยอะไรทั้งนั้นเราก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดกัน พระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วเพราะท่านไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เหมือนพวกเราที่ยังต้องอาศัยอยู่พวกเรานี่ยังต้องอาศัยร่างกายอาศัยสถานที่ท่องเที่ยวอาศัยอาหารอาศัยขนมนมเ น, มนยอาศัยคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเราก็เลยต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอเกิดแล้วก็ต้องมาทุกกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทาอาหารกิน ทุกกับการดูแลรักษาร่างกายทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพลาดพลาดจากกันเนี่ยเราถ้าเราทําตามความอยากมันจะพาเราไปสู่ความทุกข์เหล่านี้ทั้งนั้นแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเจอกับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ต่อไปดังนั้นก็ขอให้ท่านจงยังเอา เสียงที่ได้ยินได้ฟังในวา น, นนี้ไปพิจิติจารณาและไปปฏิบัติเพื่อการสิ้นสุดของความทุกข์สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแต่เวลาจึงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเมวาหาปุราปาวิปุเรนติสาราง เอวเมวะอิโตทินังเตตังังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุนหังคิตเมวะสัิจตุสัพเพปเตุสังกาจันโทปัญญวาโสยธามนิโชติวาโสยสัพพิติโยวิวัชนตุสัพพะโควิัสตุ มาเตผวะตวตันตรายโยสุขีทีขาโยโปผวะอาคีวะธนสีลิศะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวะทานติอายุวันโนสุขังภาลาังมีใครอยากจะถามอะไรไมั้ย ถามอะไรก็ถามได้นะมีใครเอาโทรศัพท์สองหมื่นมาแรกหนึ่งพันก็มาได้ไนดะ้พ่อเจ้าคะระหว่างผู้ที่ถือสี่งแปดกับผู้ที่ถือสี่งห้าแล้วภาวนาอันไหนจะเีื้อนิสงมากกว่ากันพ่อสิ่งแปดเนี่ยเสิ่งแปดมันจะทําให้เรามีเวลาภาวนาสิ่ง้าเดี๋ยวเราก็กินข้าวเย็นละแล้วถ้ า, นะถาทำท่าเท่ากันหมดแล้วเจ้าคะ มันก็ไม่ได้เป็นศีลห้าเลยสิแต่มันเท่ า, ากันมันก็<า>เป็นศีลแาวนานั่นแหละถ้าภาวนาเท่ากันก็แสดงว่ามันก็แสดงว่ามีเวลาภาวนาคนที่ถือศีลแปดนี่เข้าภาวนาได้ตั้งเที่ยงวันไปถึงเวลานอนถ้าภาว<ม>นาตั้งแต่เที่ยงวันไปถึงเวลานอ น, านมันก็ถือศีลแปดเหมือนกันแต่ถ้าศีลห้าถ้ามีโอกาสก็นั่งภาวนาได้เมื่อเขามีโอกาสนั่งน้อยมันก็ได้น้อยเลง นั่งชั่วโมงมันก็ได้ชั่วโมงนั่งแปดชั่วโมงมันก็ได้แปดชั่วโมงที่ถือสินแปดกพรมันจะได้มีเวลานั่งได้มากกว่าแต่ถ้าถือสินแปดแล้วก็ไปไปนังางแค่ชั่วโมงเดียวมักับคนถือสิงห้ามันก็ได้เท่ากันใช่ไหมงั้นเขาไปถือสินแปดทําไมถ้าก็านั่งชั่วโมงเดียวเขาก็ถือสินห้าใช่ไหม กล่อมยังไงก็ไม่ยอมคืนตัวนะนะกล <c oughs> ่อมยากน ะ, <c oughs> ะมันต้องมันต้องเห็นกับตาสิบปากว่าไม่ท่าหนึ่งตาเห็ น, นะนเนอะเดี๋ยวก็เบื่ <c oughs> อแล้วมนยังยังมันยังไม่ได้ลองก็เลยนะ <c oughs> มันีไม่เข็ดไม่มีเข็ดการนตาล่วงกว่กูไม่ไปดีกว่านี้เดี๋ยวไปแล้วเกิดโรงแรมก็ไม่มีห้องพักใคร่ห้องเดี๋ยวเกิดไปจองตั๋วแล้วเขาจองผิดห้องจองผิดโรงแรมหะโรงงแนมไี่ยไม่มีอยู่ไมยุ่ง เดี๋ยจะรว่าปอดโถวะเได้นี่แล้วก็จะไปไม่สน like ุกแล้วเคไปพอนะจะไม่สนุกแล้วแต่ต้องให้เจอเอต้องเห็นเองมันจะได้เบื่อหลวอคะเวลาที่นั่งสมาธิค่ะเขานั่งแล้วเหมือนจะหลับไปเ่ยการรู้ธรรมด สเตเดียวยังมีน้อยนุ้กเคมาเดินพวโทรวกโทรด้วยปะนุ้กเคยมาแดงพวกโทรพวกโทรเนาะพอหาง่วงแล้วก็กลับไปนั่งมานั่งตอนไหนตอนคืนไม่ตอนส่วนใหญ่จะตอนเก้ามงึ้นถึงสิบองตอนคืกลาวันอ๋อกลวันก็เราพิ่งกินข้าวเสร็จตอนเช้ามันก็ง่วง เวลากินอาหารเสร็จใหม่ๆมันจะง่งวง น, นั่ง ไ, ไม่ได้นั่งตอนไหนถึงจะดีคะคือนั่งมันก็ต้องนั่งตอนที่มันไม่ง่วงตอนไหนมันไม่ง่วงก็นั่งตอนนั้นตอนถ้ามันง่วงก็ต้องลุกขึ้นมาเดินภาจเริญสติก่อนเวลากินอาหารเสร็จใหม่นี้แม้แต่ภาคก็ง่วงจะไม่นั่งกันจะเดินจงกรมแทนก่อน เดือนนเขาริ่มรู yeah, ้ส <c ười> <c ười> ึว่ามันตัวเบาแล้วมันนุ่ว่อยนั่งกนกนัถ้านั่งลวยังหลับอยู่ก็ลุกขึ้นมาเดินต่อต้องเดินก่อหลวงพ่อเขาฟังธรรมะแล้วหลวงธรรมหลวงพ่อรู้สึกต้องใจมากเลยค่ะต้องใจทำไมมันว่ามันเหมือนว่าวันนี้มาแล้วมาได้ทำหลว่อแล้วต่อยอดขึ้นไปปรใจเราใจเขาเหมือนกันมีปัญาเหมือนกัน มีความทุกข์เหมือนกันแล้วกะวิธีแก้และแก้เหมือนกันธรรมะมเป็นเป็นวิธีแก้ความทุกข์ของเราพอเราได้ความธรรมแล้วมันก็จะทามันก็จะต้องกับปัญหาทีนี้ลูกสาวอะค่ะพยายามจะให้นั่สมาธิเคยพาเขาไปานั่งที่วัดนยคะแล้วเขากลัว<ด>เขาไม่กล้านัา่งน่ค่ะหลวงพ่อเขาเขากลัวเห็นผี ไ่เห็นเราเวลานอนหลับเห็นอะไรบะเวลาหลับหลัเวลานอนหลับเห็นอะไรบ้ไม่เห็นนะนั่งก็ไม่เห็นไม่พูดโทพูดโทไปแล้วไม่มีผีโผล่มาแต่ยานั่งเฉยเฉยถ้านั่งเฉยเฉยแล้วอาจจะโผล่ได้เพราะใจเราเป็นกูนแตกขึ้นมาเองเลานั่งอย่านั่งเฉยเฉยนัาต้องท่องพุดโธพูดโธรแล้วสวดมนต์ไปภายในใจสวดอิติปิโสแต รับรองได้จะไม่มีอะไรโผล่ถ้ามีอะไรโผลก็ ร, กททรีพุทโธพุทโธกันเลยแ <c oughs> สดง ว, ว่าเราแสดง ว, ว่าเราไม่ได้พุทโทแล้ะพุทโทนี้จะหยุดความกลัวได้หยุดผีต่างๆได้เทาท่องเร็วๆหรือเท่งเร็วหรือช้าก็ได้ตามใจขอให้มันอย่าไปคิดถึงผีก็แล้วกัน <c oughs> ที่มันผีมันมาเพราะเราไปคิดถึงมันเอง ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันไม่มีหรอกผีมันอยู่ในใจเราเราหลอกใจเราเองด้วยความคิดของเราเองพอได้ยินเสียงอะไรนี่ก็ว่าเป็นผีละนพอได้กลิ่นธูปเงี่ยก็ผีมาละบางทีข้างบ้านก็จุดธูปไหว้พระอยู่พอได้กลิ่นธูปผีมาธูป <c oughs> ก, ก็ธูปแต่มันจะเป็นผีได้ไงเสียงโมเทก็เป็นเสียงจิจก๊กจ๊อกตุ๊กแกมันไม่งอย่มีบนหลัง แล้วเวลาน้านเนี่ยควรจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ดีออยิ่งมากยิ่งดีเพราะเป็นหมืนขุดทองเวลาขุดทองนี่จะใช้เวลาขุดมากน้ยอยเ่าไหร่แต่มันมีอุปสรรคมากเลยค่ะพราะ่าไปตุ๊กขาชาหลวงพ่อก็ออนั่นแหละก็ต้องสู้กันไปสู้กันไปถ้ามีพุโทโธพุโทโธแล้วมันจะไม่ไม่ชาจะไม่เจ็บยังไม่นำคันมันจะชาก็ช่างหัวหนึ่งพมันชาไปแล้วก็พุโทโธพุทโธไปต่างคนต่างอยู่คนไป ป่ายเนชาไปแล้วก็คุยโทรมาฝากว่าเราจะอยู่กันเหมนได้มาจากที่หนทำอะไรกันมามาจเป็นกลุ่มอะไรกันรึเปล่าทำเป็นกลุ่มอะไรกันเปเป็นเป็นที่ทำงานเดียวกันก็บ่าอ่าบริษัทเนี่ยเป็นร้านตัดเสื้อจ้ค่ะเช่างตัดเสื้อค่ะเสื้อผ้าเลยเสื้อผ้าเลย เฉพาะจาบจองหรือว่าคนที่มาต้องการมาะขงผู้หญิงก็ของผู้ชาผู้หญิงการละวินอะไรลย่างเงี้อเลยังมีหรือเปล่าหการละวินไม่น่ใจของเราชื่ออะไรมอเรีล์มอเนีเป็นเสื้อผาแบบชุดนราตรีแต่งงานอะไรพี้เลยชุดชุดวีวา สชุดไปงานไปงานชุดไทยลว่าเป็นชุดหรักองคน่ต <Authority> ัวอย่างนี่วันนี้เพ่งพูดเรื่องเสื้อผ้ามาเหมดเรื่องเลยเรื่องงาเรื่อยัวอย่างเรเสื้อผ้าถ่ายภูพถ่ายรูปถ่ายภาพหมดหมด อาหลงไหลกันมากเกินไปนะ เ, เราทําไปใครคนหนึ่งก็หลงหลกันเรื่องของเขา <c oughs> เรา <c oughs> ทําเป็น <c oughs> อาชีพหาเลี้ยงปาเลี้ยงท้องเ่ะเราเ <c oughs> ก็เอาแบบพระพุทธเจ้าดีกว่านะใส่ เ, เสื้อผ้าด้วยเหตุด้วยผลตามความจําเป็นก็ได้ถ้าต้องออกงานก็ต้องมีบ้างนะเรายัางเป็นทาลวา่าอยู่ แต่ไม่ต้องมีหลายชุดหรอกเดี๋ยวนานๆออกทีเขาจำไม่ได้หรอกถือแม่มันเชยจนเกินไปก็พอแล้วหรือเมื่อจะจะเป็นชุดซ้ำกันก็ไม่เป็นไรหรอกประหยัดเงินทองไว้ใช้ของที่มีจำเป็นดีกว่าเรื่อไปทำบุญดีกว่า มอเดิลอะไรนะมเดิลพินค่ะพินค่ะพินที่แปลว่าเข็มดะพีไอเนะเป็นชื่อของแม่อ๋อแม่แม่ชื่อพินพอดีชื่อสมัยของพ่อกับแม่ใช้ด้วยกันมอเดิลสมัยคนพีคคือคนนี้อ่าชายไปปีแลนยอ่า20ปีอ๋อยีปีก็แสดงว่ามีลูกค้าเยอะนะก็ ไม่เยอะจ้าพระทงานกันช้าๆไม่ได้ทำไม่ได้ทาเยอะอฟรีมือนหเจ้าพระเา้ใช่ค่ะาเจริญก้าวหน้ารุงเรีนใเหื่อยนะอันนี้ทาง e b o o k y o u t u b e เข้ามาเท่าไหร่ยูทูปเจ็ดสิบเจ็ดค่ะนี้เยอะเลยนะเจ็ดสิจ้อแบนจะถึงลอย ห้าสิเมตรเอ้ยสามร้อห้าสิบเมตรตกใจไม่เคยต่ำขนาดนี้สามร้อห้าสิบมีคำถามเข้ามาแล้วใช่ไหมคำถามทาง u t u b e จากคุณกัารนาค่ะการนั่งขัดสมาธิเท็จจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะถ้านั่งถ้ามันนั่งขัดสมาธิได้มันก็จะนั่งได้นาน คือถ้าเราชอบนั่งนานๆมันจะเป็นท่าที่นั่งักสบายแต่ทางทางสายปฏิบัตินี่เราไม่ได้นียมนั่ ง, งแบบขัดสมาธิแล้แบบขวาทับซ้ายก็พอแต่รู้สึกขัขดสมาธิเนี่จะเป็นพวกของมหายานกี่ยวานั่งแต่นั่งแบบขวาทับซ้ายนี่ก็พอท่านั่งขัดสมาธิแต่แล้วแต่กรณีแล้วแต่บุคคล มือถ้านั่งพับเพียกกว่านั่งขัดสมาธินี่ับเพียกมันจะนั่งไม่สบายเหมือนกับนั่งขัดสมาธิแต่เรานั่งพับเพียกเฉพาะเวลาที่เรามาสนทนาคุยกันมาทำธุรกรรมทำกิจกรรมท่าขัดสมาธินี้เป็นท่าสบายเขาถือให้ใช้เป็นท่านั่งรับประทานอาหารหรือท่านั่งสมาธิ คำถามทางเฟซบุ๊กไลฟ์จากคุณนาราค่ะผู้ไม่เชื่อเรื่องกรรมไปไหนครับก็เหมือนกันลหละจะเชื่อไม่เชื่อถ้าทำกรรมบันไดไว้ดีหรือเชื่อก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคนำะ ถ, ถามจากคุณมีศัพด์มีสีทุกวันนี้ผมจะนึกถึงแต่ภาพพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตื่นนอนพยายามให้จิตมันจำภาพพระองค์ท่านระหว่างวันผมก็พยายามจับลมหายใจเข้าออกให้ได้มากที่สุด มีสติยึดสี่มั่นยึดสิ่งห้ามั่นคงนั่งภาวนาแทบทุกวันครับผมพยายามปฏิบัติมาตลอดเกือบปีแล้วครับและตั้งใจว่าจะทำตลอดไปจนชั่วชีวิตแบบนี้ผมมุ่งหวังนิพพานได้หรือไม่ครับได้มีโอกาสถ้าเราทำไปแต่ต้องให้มันเกิดผลผลก็คือเวลานั่งสมาธิจิตต้องรวมให้ได้ถ้าจิตยังไม่รวมนี่มันยังจะไม่เกิดผลมาก พอที่จะทําให้เราไปบวชได้แต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจนะิตรวมแล้วเราจะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปทําอะไรต่างๆมันก็จะทําให้เราไม่อยากจะทําอะไรต่างๆทําให้เราอยากจะนั่งสมาธิอย่างเดียวเราก็จะไปบวชถ้าเราไปบวชแล้วเดี๋ยเราก็ได้นิพพานและเวลาตอนนี้พยายามตั้งเป้าไปที่ทําใจให้รวมให้ได้ทําใจให้สงบ ให้สักแต่ว่ารู้เป็นเเป็นเหมือนให้ได้ถ้านั่งไปแล้วยังไม่รวมก็ถือว่ายังไม่ได้ผลต้องพยายามนั่งให้มันรวมให้ได้เั่งหยับนั่งให้นานนมันถึงจะรวมได้เวลาเจ็บก็อยากไปลุกไปเวลาเจ็บก็พยายามพุโทโธพุโทโธไปนั่นเดียวมันจะผ่านความเจ็บแล้วมันก็จะรวมเข้าสู่ควาสมสงบได้คํถาถามจากคุณนันทนาค่ะทำอย่างไร เราถึงจะตามทางความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะทำไปตามความอยากแล้วค่อยมาคิดได้ทีหลังทุกทีเจ้าคะ่ะจะอดทนต่อความอยากได้อยา่างไรให้ทันเจ้าคะก็ต้องสร้างสตตจขึ้นมาก่อนต้องมันพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆถ้าเราพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆเวลาความอยากเกิดขึ้นมานีเราจะหยุดมันได้เราจะใช้พุทโธหยุดมันได้พอเรารู้ ก, กาลังอยากปุ๊บเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไป ตอนนี้เราใช้พุโทโธไม่เป็นเพราะเกิดความอยากมันก็เลไม่มีอะไรมาหยุดมันเหมือนรถที่ไม่มีเบรกถ้าเราอยากจะหยุดรถเราก็ต้องไปติดเบรกกันเบรกของความอยากก็คือพุโทโธนี่แหละเนี้นพยายามติดติดเบรกใจใจขึ้นมาพยายามหมั่นพุโทโธพุโทโธท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าเดี๋ยวพอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันได้ ต้องถามจากคุณนาลาเตือนคนอื่นไม่ให้ทําผิดกับเตือนตัวเองไม่ให้ทําผิดแบบไหนดีกว่ากันครับเตือนตัวเราดีกว่าเพราะว่าเราจะได้รับประโยชน์เตือนคนอื่นเขาก็จะได้รับประโยชน์แต่ถ้าเรามีหน้าที่ต้องเตือนคนอื่นเราก็ต้องเตือนเช่นเตือนลูกหลานนี่ถ้าเป็นหน้าที่ของเราเราก็ต้องเตือนเขาด้วยแต่หน้าที่หลักของเราก็คือตนเตือนตัวเราเอง พอเวลาที่เราทําผิดเราจะต้องเป็นคนที่รับโทษคํถาถามจากคุณอั้นค่ะฟังธรรมอย่างเดียวโดยไม่ได้นั่งสมาธิจะสําเร็จมรรคผลได้ไหมครับไม่ได้หรอกฟังธรรมเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติการที่จะปฏิบัติก็ต้องนั่งสมาธิเพราะว่าถ้าไม่นั่งสมาธิใจไม่สงบก็จะไม่มีกําลังที่จะไปตัดกิเลสได้ ถ้าไม่ตัดกิเลสก็ไม่มีวันที่จะบรรลุทําได้คาถามจากคุณมาริกาหมดสัญญากรรมคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครไม่รู้ว่าใครพูดไปทำสัญญากับใครนะามาว่าสอาว่ารัาักาคหลวอพ่อคือคือหลว่อพยายามที่จะขัดนั่งสมาธิที่ เรียนถามหลวงพ่อเม่อกี้เนนั่งมาประมาณหกเดือนแต่ไม่รู้ว่าถามจิตอยู่ที่ไหนก็ยังไม่ถึงนะเรือ่อ่ที่คาวามสงบเวลาจิตรวมเนี่ยนั่นเองขนะ้ า, าสงสารจิตคือผู้รู้สัจจะก็รู้แล้ ว, ล ว, ลวถ้าเกิดว่าเราถามจิตเราจะรู้ได้ไหมเว่าว่าถามจิตอยู่ที่ไหนรู้เสีก็มันเมื่อมันเข้าไปเสียมันก็รู้เองมันสงบมันตกหลุมตกบ่อเมันอย่ารู้ ต้องหลจุกบ่อวุบลงไปแล้วก็เนียงสงบเย็นสบายมีความสุขเหมืนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นมันมันอาการวูบเหมือนเราจะหลับไปค่ะพ่อแต่เรายังไม่เหนไม่เหมือนเหมือนเวลาที่เราตกนั่งนั่งเครื่องบินแล้วตกหลุมากาศมันรุบลงไปลงไปอันนั้นคือรวมแล้วอจิตก็รวมแล้วก็จะนี่งนียงแล้วทีนี้หลวไม่รู้ว่าฐานจิตมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นอ่ะมันจะเจอตัวตัวรู้อยู่ตรงนั้นผู้รู้อยู่ตรงนั้น จะเจอฐานจิตก็คือความนิ่งความสงบก็คือฐานจิตแล้วเราก็พยายามรักษาใจให้เราอยู่ที่ฐานจิตอย่าให้มันไปที่อื่เวลามันจะออกไปก็ใช้ใช้สติหนึ่งขับเข้ามาอ ย, อยาแสดงว่าที่ผ่านมาหนูนทันจิกจอวันนี้หนูลองไว้ที่หน้าขาดูอีกวันนึงมาไว้ที่ตรงอีกวันไปไว้ที่ท้องก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนจิตนั่นฐานของสติสระอัเงี่ฐานของสติเพื่อให้เข้าไปสู่ฐานของจิต ฐานของสติมีอยู่สี่สิบอันนี้กรรมฐานสี่สิบพุโทโธพุทโธก็เป็นฐานของสติอันนี้ลมหายใจาเท่ออกก็เป็นฐานของสติอันนปานักสติอันนี้เป็นฐานของสติไม่ใช่ฐ า, านของจิต่มมอตอนต้นต้ออาศัยฐานของสติก่อนเพื่อดึงให้เข้าไปสู่ฐานของจิตอีกทีถ้าเรามีพุโทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็จะตกหุ้ตกบ่ พอตกลุ่มตกบาวก็จะถึงฐานของจิตถึงความสงบจะตกกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรแล้วหล่อนั่งก็ตกไปอีกอ๋อถ้ามันตกครั้งเดียวมันก็ไม่มันไม่กี่ครั้งมันก็มันก็ถึงที่แล้ว่ะมันก็จะอยู่ตรงนั้นจนกาบมันจะทอนออกมาใหม่ไม่อาจจะเข้าไปเดี๋ยวเดียวแล้วก็ออกมาแต่ถ้าเราชันงานแล้วต่อไปมันก็จะอยู่ได้นานมันจะอยู่ที่ฐานจิตได้นานมันจะพักอยู่ตรงนั้นแล้วทุกครั้งที่เราต้องการที่จะ หลบปัญหาต่างๆหลบเรื่องวายอุ่นวายต่างๆแล้วก็เข้าไปที่ฐานจิตพุทโธพุทโธแล้เวเดี๋ยวจิตสงบและเบาสบายความวุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆก็าหายไปหมดเป็ น, น, นตอนต้นต้องมีฐานของสติก่อนต้องมีพุทโธหรือมีร น, นหายใจเข้าออกหรือ ม, มีการเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาอันนี้เรียกเป็นฐานของสติ เมื่อมีฐานของสติแล้วมันก็จะดึงใจให้เข้าสู่ฐานของจิตอีกทีมันใจนะฐานของสติก็คือกรรมฐานสี่สิทธอนุสติสิทธิ์ อ, อสุภัสสิทธิ์กสินสิทธิตรงนี้เป็นฐานของสติเราต้องสร้างสติขึ้นมาเพื่อดึงใจให้เข้าสู่ฐานของจิตอีกทีฐานของจิตก็คือความสนุบ สัตวแต่ว่ารู้เท่า น, นั้นจะเหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวผู้คิดจะหยุดทํางานแล้วความเบาใจสุขใจก็จะเกิดขึ้นเลยอย่างเวลาที่เราบริกรรมเนี่ยเราบอกว่าเราพูดโธพุดโธอย่างเนี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีแวบนั่นที่เราไปคิดถึงเรื่องที่เราแบบวุ่นวายเดินกลับมาเลยก็เดินกลับมาอยาก่อยมันไปเหมือนเด็กเนี่ยเราจับเด็กมานั่งเฉยๆก็เด็กมันจะลุกไปก็เดินกลับมาเพราะถ้าปล่อยให้เด็กไปเดียนก็ไปทําอะไรเสียหาย เราก็เดินกลับมาความคิดของเราก็เป็นเหมือนเด็กอย่าปล่อยมันไปให้มันอยู่กับพุโทโธพุทโธไปถ้าเรามีกําลังมากกว่ามันเดียวมันก็ไม่ไปพอไม่ไปมันก็จะตกหลุมตกบ่อเข้าไปสู่ฐานของความสงบพอเข้าสู่ฐานแล้วเราก็ไม่ต้องบังคับมันนะมันไม่ไปไหนมันใจนั่งนิ่งสบายมีขามสุขเบา อ, อกเบาใจ แตรู้สึกว่าหนูปฏิบัติแล้วมันไม่ก้าวหน้าเลยหลวงพ่อก็สติมันน้อยเลยต้องเอาสติให้มากๆต้องฝึกสติก่อนฝึกทั้งวันเลยต้อฝึกสติได้แต่ลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวทํางานก็พุทโธไปเนี่ยเก็บผ้าเสื้อผ้ากับพุทโธพุทโธไปหรือดูเสื้อผ้าดูที่ที่งานที่เรากำลังทำอยู่อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้อยู่กับงานที่เราทำไม่ให้อยู่กับพุทธโธแบบนี้เนื่องในการมีสติแล้วพอเราพักเวลาพักงานกินข้าวเสร็จยังมีเวลาว่าก็นั่งสมาธิหลับตาไปพุทธโธพุทธโธไปอย่างนี้นก็สงบได้ต้องพยายามหาเวลานั่งนังางอย่าไปนั่งดูทีวีนั่งทําอะไรที่ไม่มไม่จําเป็นอย่าไปทำมานั่งสมาธิ ด, ดีกว่า คำถามจากคุณมารค่ะนักปฏิบตัติอ่านหรือฟังเรื่องตลกแล้วหัวเราะขำได้ไหมคะได้แต่ว่าเอย่ยไปยึดไปติดกับมันเท่านี้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพอมันผ่านไปแล้วก็ลืมมันไปแล้วไม่ใช่ติดแล้วไปดูหนังกระตูนอยู่เรื่อยๆดูอะไรให้ให้มีความสุขคำถามจากคุณอดิษัก เวลาขับรถเราภาวนาพุโทโธได้ไหมครับได้ในระดับหนึ่งคือสมมติถ้าเราขับแล้วใจเราฟุ้งซ่านยังคิดวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็พุทโทไปแต่เราก็ต้องมีสติอยู่กับการขับรถเป็นหลักคือต้องดูรถดูถนนไม่ใช่ไปอยู่กับพุทโทแล้วรถตัดหน้ามาก็เหยียบเดรกไม่ทันอสติต้องอยู่กับการขับรถเป็นที่หนึ่ง แต่ใจยังถ้ายัางไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่เพื่อใช้พุโทโธหนึ่งกลับมาก็แล้วคำถามจากคุณแม่นกค่ะจำเป็นที่จะต้องสวดมนต์ทวัดเช้าเย็นไหมคะคือการสวดมนต์ทวัดเช้าเย็นนี่เป็นการฝึกสติฝึกสมาธิถ้าเราอยากได้สติอยากได้สมาธิเราก็ต้องฝึกแต่ถ้าเราไม่ต้องการสมาธิไม่ต้องการสติก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องฝึกไม่ต้องสวด แล้วเขาบอกว่าต่อด้วยนั่งสมาธิหายใจพุทโธกําหนดลมประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีต้องปรับอะไรไหมคะ อ, อ๋อไม่ต้องปรับนะทําให้มันมากทําให้มันได้ผลสิบห้านาทีบางทีมันยังไม่ได้ผลนั่งไปจนกว่าจิตมันจะวุบลงไปจนกว่ามันจะตกหลุมตกบอก่อไม่ใช่วุบหลับนะหลับตกลุมตกบอก่อ <c oughs> ถ้ายังไม่ได้ผลก็พยายามนั่งให้ให้ได้ผลให้ได้ คำถามจากคุณนิติการทำสมาธิหลับตากับการทำสมาธิลืมตาแตกต่างอย่างไรครับการทำสมาธิลืมตาโดยการจ้องนั้นเรียกว่าอะไรครการทำสมาธิลืมตานี้ไม่เรียกเป็นการทำสมาธิเพราะการทำสมาธินี้เราต้องการปิดทวารทั้งหกไม่ต้องการสนใจออกข้างนอกถ้าเราเปิดตาก็เหมือนกับเปิดเปิดเปิดช่องให้กิเลสออกไป ทางตามันก็จะทําให้จิตไม่สงบเฉะนั้นถ้าอยากจะทําจิตให้สงบต้องปิดตาไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดูอะไรเพราะเวลาดูแล้วจิตมันก็คิดคิดแล้วก็อยากอยากก็คือกิเลสพออยากแล้วมันก็จะไม่สงบคิดแล้วมันก็ไม่สงบดังเราต้องหลับตามันจะได้ไม่มีอะไรมาลบกวนใจมายุ่ยยวนกวนใจเมื่อกี้ถามว่าการการการดู การจ้องการจ้องนี้เขาไม่ได้จ้องด้วยตาเช่นเพ่งกระสินนี้เขาเขาเพ่งด้วยตาในเช่นเราจะเพ่งสีแดงนตอนต้นเราก็มองใช้ตาเรามองสีแดงก่อนแล้วพยายามจําสีแดงไว้แล้วเราก็หลับตาแล้วก็นึกถึงสีแดงให้มันเกิดขึ้นมาในใจข้างในแล้วก็เพ่งดูกับสีแดงที่เรานึกขึ้นมาให้มันอยู่กับสีแดงไปจิตมันก็จะส ง, งบได้ เรียกว่าเพ่งกระสินแต่ไม่ใช่เพ่งด้วยตาด้วยลืมตา <_ V> เพ่งด้วยตาในตาในก็คือใจตาที่เราคิดคิดถึงสีแดงอตอต้นเราคิดไม่ออกว่าสีแดงแล้วก็เปิดตาดูสีแดงก่อนพอดูสีแดงแล้วก็จําไว้แล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงสีแดงที่เราเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้ถ้ายังนึกไม่ออกก็เปิดตาดูใหม่แล้วก็นึกใหม่อย่างนี้ทําอย่างนี้ไปจนกว่ารเราจะปิดตาแล้วนึกถึงสีแดงแล้วสีแดงมันก็ปรากฏขึ้นมา เราก็ให้เพ่งอยู่กับสีแดงนั้นไปแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามในอินบ็อกซ์จากคุณชิระเดชค่ะผมยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของอริยสัจสี่ทั้งทุงทกขสมุทัยนิโรธมักครับเวลาเราไม่สบายใจนี่เรียกว่าทุกข์เข้าใจไหมเวลาเร า, เ, าเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราสุขหรือทุกข <c oughs> ์ทุกข์เนี่ นัรก็คืออริอรยสัจข้อที่หนึ่งคือความทุกข์ใจความทุกข์ใจที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเรียกว่าทุกข์แล้วสาเหตุที่ทำให้เราทุกข์เพราะอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะความอยากตัณหาอยากไม่เจ็บใช่ไหมอยากให้หายเจ็บก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเกิดถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่เจ็บ ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายเจ็บเราจะไม่ทุกข์โดยสมมติว่าถ้าเราอยากให้มันเจ็บเราก็จะดีใจใช่ไหมว่าเอ้อเราเจ็บแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทํางานจะได้มีเหตุไปแจ้งหัวหน้าได้ว่าวันนี้ไม่สบายนี่แทนที่จะทุกข์กับไม่ทุกข์เพราะว่าไปทํางานมันทุกข์กว่าเพราะไม่อยากจะไปทํางานเลยยอมเจ็บดีกว่าเจ็บแล้วไม่ต้องไปทํางานอันนี้ก็ทําให้ เราไม่ไม่ทุกข์กับการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าเราไม่มีความอยากให้มันไม่เจ็บที่เราทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเราอยากให้มันไม่เจ็บ <Import. S 1> เราก็เลยทุกข์กันนี่คือข้อที่สองข้อที่สามก็คือเวลาที่ทุกข์หายไปหายไปเพราะอะไรก็อย่างที่บอกหายไปเพราะว่าเราหยุดความอยากเปลี่ยนความอยากจากไมอก่อยากเจ็บให้มันอยากเจ็บขึ้นมา แล้วเราก็จะได้ดีใจอ้วันนี้เราเจ็บเราจะได้ขอลา ง, งานได้ไม่ต้องทํางานอันนี้ก็เรียกว่ามักวิธีที่จะทําให้เราไม่ไม่ทุกข์กับความกับเหตุการณ์ก็คือเราต้องยินดีกับมันแทนที่จะเสียแทนที่จะไปรังเกียจมันให้ยินดีกับมันเช่นไม่สบายก็อดีจะได้ไม่ต้องไปทํางานแล้วก็เราจะได้ไม่ทุกข์กัน คำถามจากคุณไปวัดทำบุญเวลานั่งสมาธิผ่านไปสักพักจะมีจุดจุดหนึ่งวิ่งไปมาเราก็พยายามตามจุดนั้นไปยิ่งตามมันก็ยิ่งหนีบางครั้งรู้สึกทะลุเข้าไปในจุดนั้นแบบนี้จิตมันคิดไเองหรือว่าเป็นอย่างไรครับดีหรือไม่ดีไม่ดีหรอก อ, อย่าไปดูจุดให้ดูลมแทนลมมันไม่หนีหราดูลมหายใจเข้าออกไป ทำฐาจากคุณนันทนาค่ะการผิดสี่ห้าทำบ่อยแค่ไหนคะถึงจะลงอาบายตกโยละตัวสองตัวกับการฆ่าช้างหนึ่งตัวอะไรบาปมากกว่ากันคะคือทำมากมันก็มีโอกาสที่จะไปอาบายได้มากกว่าทำน้อยมันก็ยังอาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าเราอาจจะมีทำมีส่วนที่ดีคือเราทาบุญไว้ แล้วถ้าบุญเรายังมีมากกว่าบาปมันบาปก็ยังดึงเราไปอบายไม่ได้บุญจะดึงเราไปสวรรค์ก่อนแต่ถ้าเกิดบุญน้อยกว่าบาปเมื่อไหร่บบบาปมันก็จะดึงเราไปอบายบาปหนักถ้าเราฆ่าสิ่งที่มีมีมีคุณมีคุณมีประโยชน์ถ้าเราฆ่าสิ่งที่ไม่มีคุณมีประโยชน์หรือมีมีมีคุณประโยชน์น้อยไม่มีโทษบาปก็น้อยฆ่าช้าง ฆ่ามันมีประโยชน์มากกว่าฆ่ายุงเนี่ยยุงมันไม่มีไม่มีประโยชน์มันมีโทษบาปจากการฆ่าเช้ามันก็จะมากกว่าการฆ่ายุงเช่นล้วฆ่าคนเนี่ยคนที่เราไม่รู้จักกับพ่อแม่เนี่ยฆ่าพ่อแม่นี่หนักกว่าบาปกับฆ่าคนที่เราไม่รู้จักเพราะว่าพ่อแม่มีคุณประโยชน์มีก็คุณกับเรามากกว่าคนที่เราไม่รู้จัก ขั้งถามจากคุณกมลพรจิตจะกระเพื่อมเล่าร้อนไม่พอใจรู้สึกรังเกียจเมื่อเห็นคนแสดงความโลภและเห็นแก่ตัวออกมาแม้จะเตือนตัวเองว่าเราเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาเท่าไหร่ควรดูการกระทำของตัวเองจะดีกว่าหรือบางครั้งก็ภาวนาพุทโธพุทโธเพื่อให้จิตสงบลงแต่ก็ยังเห็นความขุ่นของจิตใจอยู่ดีโยมควรวางใจให้เป็นอุเบกขายอย่างไรคะ ก็พยายามปริกรรมพุโทโธให้มากขึ้นให้จิตสงบให้ได้ถ้าจิตสงบแล้วจะหายขุ่นมัวคว mm hmm. ามคิดแบบนี้ก็ถู้วคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราใครทำกรรมใดว่าเขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมของเขาให้เราดูกรรมของเราพอพอ mm hmm. แล้วพยายามหยุดกรรมของเราคือความโลภของเราเสียตอนนี้เราหยุดไม่ได้เพราะกาลังของเรามี มีไม่มากพอที่จะทําใจให้สงบได้ดังนั้นเราต้องพยายามสร้างสติให้มากขึ้นพุทโธให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีกําลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้คําถามจากคุณศินานิตค่ะเวลาที่เรานั่งสมาธิไปสักพักแล้วเกิดเห็นดวงตาตรงกลางหน้าผากเขาเรียกว่าอะไรคะก็ไม่เรียกว่าอะไรเท่านั้นแหละ อย่าไปนสนใจในเวลานั่งสมาธิเราไม่ต้องการเห็นอะไรเราต้องการให้จิตสงบให้ต้องการให้จิตว่างงั้นเราต้องอยู่กับคำบริกรรมต่อไปถ้าเราใช้คำบริกรรมถ้าเราดูลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจต่อไปอย่าไปนสนใจกับภาพต่างๆที่ปรากฏให้เห็นมันไม่มีความหมายให้เไม่มีคามไม่มีประโยชน์อะไม่ัี้นี่ก็น่หน้านตาเสียง เราไม่ควบคุมบังคับันไม่ได้เราก็ต้องเฉยๆไว้เดี๋ยวเขาก็ไปเองเขาก็อนิจจังพอเขาหายแล้วทีนี้เราก็พูดต่อได้ถามว่า ม, มาหมดแล้วหรอยังคะคำถามจากคุณจิติทัพค่ะฐานของจิตที่เรียกว่าทีติภูตังใช่หรือไม่ครับเออนั่นแหละคือความสงบนั่นแหละมีหลายชื่อ คำถามจากคุณอ น, นกุกจิตมีขนาดไหมครับและขนาดประมาณไหนครับอ๋อไม่มีจิตไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีหน้าตาไม่มีขนาดจิตเหมือนกับความว่างที่อยู่รอบตัวเรานี้มีขนาดไหมอมอนั่นแหละจิตก็เป็นเหมือนความว่างแต่เป็นความว่างในโลกทิพย์มันไม่ได้อยู่ในในโลกกัทถไม่มีขนาดคำถามจากคุณนพลค่ะเวลารับประทานอาหาร เรานับคำข้าวดีไหมครับเป็นการทำสมาธิหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันเลยครับไม่เคยดับสักทีเวลากินข้าวมันไม่ได้ทำสมาธิหรอกเวลากินข้าวกินข้าวทำได้อย่างมากก็คือสตินก็คือให้เราอยู่กับกับการกินการเคี้ยวกับการกลืนไปเพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดถึงสิ่งต่างๆเพื่อใจของเราจะได้ไม่ไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวาย ใจของเราจะได้เย็นจะได้สบายเป็นการจเจริญสติแต่ยังไม่เรียกว่าเป็นการสมาธิทำสมาธิถ้าจะทําทสมาธิก็ต้องหยุดกินแล้วก็นั่งพุตโธพุตโธไปแล้วถึงจะเป็นสมาธิคําถามจากคุณนภพลขณะฟังธรรมควรที่จะกําหนดพุตโธไปด้วยหรือไม่ครับและถ้าเราไม่ได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นแต่ตั้งสติกําหนดพุตโธและฟังธรรมอย่างนี้ อย่างอย่างนี้จิตจะพัฒนาขึ้นได้ไหมครับเวลาฟังธรรมนี้ถ้าเราต้องการจะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมเราไม่ต้องพูดโธเพราะถ้าเราพูดโธเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมเพราะเราจะไม่เข้าใจว่ากําลังฟังอะไรเพราะเรากําลังอยู่กับพุโทโธถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็ตั้งใจฟังอย่างเดียวอย่าไปพุโทโธ แล้วการฟังธรรมนี้จะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมา mm hmm. เกิดความรู้ mm hmm. เกิดความฉลาดขึ้นมาหรือไม่เช่นนั้นก็ทำให้ใจเราสงบได้เพราะใจเราจะไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆเราจะอยู่กับการฟังธรรมเตมงนั้น mm hmm. ถ้าเราฟังธรรมแล้วเราไม่ต้องพุทโธเราก็จะได้สมาธิหรือไม่เช่นนั้นเราก็จะได้ปัญญาแล้วข้อที่สองเขาว่า อ, อย่างไงนนะข้อที่สอง ถ้าเกิดไม่ได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นแต่ว่ากาหนดพุโทโธกับฟังธรรมจิตจะพัฒนาขึ้นไหมคะก็พัฒนาการปังธรรมก็ทำให้เกิดปัญญาการนั่งสมาธิก็ทำใจให้สงบแต่จะเจริญไม่เจริญอยู่ที่ว่าจะเอาสมาธิกับปัญญานี้มาฆ่ากิเลสหรือไม่ถ้ามีสมาธิมีปัญญาแต่เวลากิเลสออกมาก็ทำตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร การมีสมาธิมีปัญญาเพื่อมาฆ่ากิเลสฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลงแต่ถ้าเรามีอาวุธแนละ้วเราไม่ใช้อาวุธนีม้มาฆ่าศัตรูก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรศัตรูของพกเราก็คือความโลภโกรธหลงนี่เองเพราะมันเป็นตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายต่างๆให้กับเราคำถามจากคุณอั้นค่ะถึงฐานจิตแล้วจะต้องทำยังไงตอครับ ก็ตั้งอยู่ที่นั่นให้นานที่สุดถ้าที่จะนานได้เพราะเป็นที่เราพักผ่อนเป็นที่เราเติมพลังเพราะว่าเวลาเราจะไปต่อสู้กับกิเลสเราต้องมีพลังพลังก็คือความสงบเราต้องพยายามอยู่กับความสงบให้นานถ้ามันไม่นานก็กลับเข้าไปใหม่ตอนต้นนี้เราอย่าเพิ่งไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูถ้าเรายังไม่มีกำลังพอไปสู้กับกิเลสเดี๋ยวก็สู้ ไ, ไม่ได้ เราต้องถ้าเราสู้ไม่ได้แสดงว่าเราต้องกลับเข้ามาสร้างพลังให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้นานขึ้นให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นก่อนจนกระทั่งพอออกมาพอกิเลยียดอยากได้อลไรพบตัดได้เลยอยากไปเที่ยวเปลี่ยนใจไม่ไปเลยแสดงว่าเราชนะมันแล้วแสดงว่าเรามีกําลังนะถ้านั่งแล้วออกมามันชวนให้ไปซื้อกระเป๋าก็ไปเลยชวนให้ไปเที่ยวก็ไปเลยแสดงว่ายัางไม่มีกําลังลองกลับไป นั่งสมาธิอยู่ในฐานจิตให้นานๆก่อนปวดต้องเหรอยังค่ ะ, ะคำถามจากคุณพีโกนค่ะขอพระอาจารย์อธิบายฐานของจิตเพิ่มเติมด้วยค่ะ อ, ออธิบายไม่ได้หรอกมันสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นต้องพุทธโทอย่างเดียวพยายามนั่งสมาธิหลับตาแล้วพุทธโทพุทธโทไปอย่าไปคิดอะไรเดี๋ยวพอมันตกหลุมตกบ่ ก, ก็ถึงฐานของจิตเองแล้วจะรู้เองว่าเป็นอย่างไร ครนี้เหมือนเหมือนกับอธิบายสีเขียวสีแดงให้คนปิดตาเอาคนหลับตาไปบอกมันสีเขียวสีแดงว่าเป็นยังไงมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีก็บอกให้มันลืมตาแค่นั้นก็ก็เห็นเ่เองก็เหมือนกันการข่านละการเข้าสู่ท้ายของจิตก็คือในการนั่งสมาธิด้วยพุทโธพุทโธไปอพอเราพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็เข้าถึงฐานตาในก็เปิดขึ้นมาเองก็จะเห็นว่าฐานของจิตเป็นยังไง อธิบายงานก็ไม่เข้าใจอยู่ดีคำถามจากคุณประยุทธ์มีวิธีเร่งให้บุญเก่าทรงผลให้เร็วขึ้นไหมครับ อ, อ๋อเร่งไม่ได้แหละเพราะมันเป็นปลูกต้นไม้ต้นน้อยบางชนิดก็ออกดอกออกผลเร็วต้นน้อยบางชนิดก็ออกดอกออกผลช้าทําได้อย่างเดียวก็วคือให้มันออกมากออกน้อยก็ต้องทํามากอยากให้มันออกมากก็ต้องพยายามทําให้มากๆถ้าออกน้อยก็ทําให้มันได้น้อย แต่ได้มันเร็วมันชานี่มันแล้วแต่บุญแต่ละชนิดบุญบางชนิดก็ออกเร็วบางบางชนิดก็ออกช้าเหมือนต้นไม้บางชนิดก็ออกเร็วข้าวในสามเดือนก็ออก แ, แต่ถ้าปลูกพวกต้นผลมไม้ทุเรียนนี่นเป็นปีคําถามจากคุณตาตอนเด็กตกปลามาทําอาหารบ้างตกเพราะสนุกได้มาแล้วก็ปล่อยไปบ้างปัจจุบันรู้ว่าได้รับผลกรรมนั้น พรปากเป็นแผลบ่อยจะทําอย่างไรให้กรรมที่เคยทําไว้ลดน้อยลงหรือหมดไปเจ้าคะออมันเดี๋มนลดน้อยไปเองถ้าเราไม่ทํากรรมใหม่เพิ่มขึ้นกรรมเก่าเวลามันแสดงผลแล้วมันก็จะค่อยๆหมดไปอย่าไปสร้างกรรมใหม่ก็แล้วกันคําถามจากคุณจะ ก, กอบพรค่ะวิธีแก้จิดเสื่อมโดยข้าข้าวค่ะขอวิธีก็ต้องรักษาสติอยู่เรื่อยๆต้องนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆ ต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพืจะรักษาจิตไม่เสียไงได้ไหมดแล้วนเดี๋ยวรอให้คนที่ก็กำลังพิมพ์อยู่เดี๋ยวก็พิมพ์เข้ามามีใครอยากจะถามอะไรพร่อนะาจารไหมมาแล้วนะเนี่ยมเลยมาแล้วคำถามจากคุณชาวนกตัวผู้รู้ในจิตกับ กับการมาพบมีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมครับคือการมาพบเป็นที่ที่จิตตัวผู้รู้ไปการที่ตัวผู้รู้ไปการมาพบก็คือเพราะว่ามีความอยากในการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอย่างจิตของพวกเราเนี่ยมีมีมีความอยากในการเราก็เลยมาเกาะติดอยู่กับร่างกายพอมาได้ร่างกายก็เท่ากับมามาเกิดในการมาพบแล้ว พบที่มีการเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางตาหูจมูมกมือกายใจมาการมาพบเพราะมีการมาตัณหาความอยากในการถ้าตัดการมาตัณหาได้ใจ ก, ก็ไม่มาเกิดในการมมาพบคำถามจากคุณโนวิสค่ะโนวิส no ไม่ใช่โนวสโนวิสกับ อาโปกสินและเตโชกสินทำอย่างไรครับพระอาจารย์ค้ายกับการทำกสินสีหรือเปล่าครับก็ก็ให้นึกถึงเตโชมันเป็นอะไรเป็นเป็นดินหรือเป็นน้ำไม่เป็นก็ไม่รู้แหละถ้ามันผมว่าถ้ามันเป็นดินแล้วก็นึกถึงดินนึกถึงดินแล้วเราก็หลับตาแล้วก็นึกถึงดินให้มันดินปรากฏเป็นภาพขึ้นมาในใจเราถ้าเป็นน้ําเราก็นึกถึงน้ําแล้วก็หลับตาแล้วก็ให้มัน ให้น้ำปรากฏขึ้นมาในใจของเราแล้วก็ให้อยู่กับภาพนั้นไปแล้วจิตก็จะนน่งจะสงบคือมันจะไม่ไปปรุงแต่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนก็อยู่กับพุทโธการที่จะใช้พุทโธก็ใช้น้นําแทนใช้ดินแทนใช้นมแทนใช้ฝายแทนกันนะนี่เรียวกว่ากษินโดยใช้ champagne. ความว่างกันนะความว่างก็เป็นเกษินอย่างหนึ่งนึกถึงความว่างหลับตาแล้วก็นึกถึงความว่างแล้วก็ให้ความว่างปรากฏขึ้นมาในใจเรา คำถามจากคุณแพลณภาการนั่งสมาธิช่วยให้เรียนเก่งความจำดีได้ไหมคะให้เรียนเก่งได้เพราะว่าเวลานั่งฟังอาจารย์สอนก็จะจะตั้งใจฟังจะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ังั้นพอฟังอะไรแล้วถ้าเข้าใจมันก็จะจำได้เองมันไม่ต้องมันไม่ต้องมันไม่ต้องจดต้องจำคำถามจากคุณรัต ด, ดาค่ะเคยมีอาการดิ่งูบลงค่ะ สมัยทําสมาธิเองจะตำดาแต่กลัวรีบออกมาหลังจากนั้นไม่เคยพบอีกจะทําอย่างไรคะก็ต้องทําให้มันเข้าไปใหม่จาได้มว่าวิธีที่เราทําตอนนั้นทำอย่างไงถึงมันถึงดิ่งลงไปก็ลองใช้วิธีนั้นดูแต่อย่าไปอยากให้มันเด้งอย่าไปคิดถึงผลที่ได้จากคราวที่แล้วให้คิดถึงเหตุที่ทําให้เราเด้งว่ามันทํำยังไงมันเด้งแล้วก็กลับไปทําแบบนั้นดู ถ้าไม่ได้ก็เริ่มต้นใหม่ก็ลองพุโทโธไปเริ่มดูล ม, ล ม, ลมหายใจไป แ, แต่อย่าไปคิดถึงผลไม่อยากไปอยากให้มันดิน่งถ้ามันอยากแล้วมันจะไม่ดิ่งคาถามจากคุณสุภกิจค่ะคนที่ค่าตัวตายทําไมแบบมากทั้งที่เขาไม่ยึดมั่นในกายแล้วครับเขายึดอยู่เพียงแต่ว่ากายมันเป็นกายที่เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนกายใหม่เขาอยากจะทิ้งมันไป ร่างกายของเราถ้ามันยังดีอยู่เราอยากจะฆ่าตัวตายไหยไม่อยากใช่ไหมแต่พอมันเป็นพิกลพิการมันเป็นเอามาพึ่เอามาผ้าไปเที่ยวไม่ได้แล้วมันก็ไม่ก็เลยไม่อยากจะเลี้ยงมันใช่ไหมเป็นภาระก็เลยอยากจะฆ่ามันคําถามจับคุณจันเพลทำอย่างไรดีคะเมื่อจิตคิดฟุ้งซ่านก็หยุดมันเสียพุทโธพุทโธไปถ้าเราไม่มีพุทโธมันก็จะไม่หยุด ต้องพยายามพุดโทพุดโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราฟุ้งซ่านเดี๋ยวเราก็จะลืมพอลืมแล้วมันก็จะไม่คิดแล้วมันก็จะหายฟุ้งซ่านคาถามจากคุณสองนาลีค่ะหนูสวดมนต์แทบทุกวันค่ะบางครั้งปากสวดด้วยความเคยชินเพราะจำคำสวดได้แต่รู้ตัวว่าจิตแว บ, บออกไปคิดนู่นคิดนี่แบบนี้ อันนี้สงจากการสวดมนต์จะเป็นอย่างไรคะไม่เป็นเลยสิมันมันไม่สงบเลยมันต้องใจต้องอยู่กับบทชสวดอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คำถามจากคุณเทพพลักสวดมนต์ไม่มีดอกไม้ธูปเทียนได้ไหมครับแล้วจะได้บุญไหมครับได้ได้เหมือนดอกไม้ธูปเทียนเป็นเทียนส่วนประกอบเท่านั้นเองเหมือนเวลาเรา ทำกับข้าวนี่เ้วเอาผักชีโรยหน้าหน่อยไม่มีผักชีก็กินได้ขอให้มีเนื้อทอดก็แล้วกันอย่ามีแต่ผักชีอย่ามีแต่เดาม้าทุกทีนแล้วก็ไม่ได้สวดไม่ได้ว่าไม่ได้นั่งสมาธิการปฏิบัตินี่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเขาเรกอามิตคือรูปทุกเครื่องสักการะบูชาปฏบิบัติบูชาไปเลย การนั่งสมาธินี้เป็นการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่แท้จริงมะะแล้วค่ะมลนะ ม, มีใครอยากจะถามไห ม, ไมถ้าไม่มีจะได้ปิดประชุมน ะ, <c oughs> ะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา <c oughs> ขอให้ท่านจงแนวโนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ